มีเรื่องจากทางบ้านอีกเรื่องหนึ่งค่ะเป็นเรื่องของพ่อพาไปดูเปรตตชูที่วัดราชนัดดานะคะโดยพ่อของเจ้าของเรื่องเนี่ยตอนเป็นหนุ่มๆยังไม่มีครอบครัวแกก็จะอาศัยอยู่ที่บ้านหลวงประดิษฐ์ไพเราะแถววัดราชนัดดาค่ะแล้วก็ได้ร่ำเรียนวิชาช่างซ่อมเครื่องดนตรีไทยกับคุณตาอ้อนช่างมือดีของคุณหลวงพ่อก็ยังต้องมีภารกิจอีกอย่างหนึ่งคือต้องแวะเวียนไปเรียนวิชาอาคมต่างๆกับหลวงตาเมี้ยนที่วัดราชนัดดาอีกด้วย ลวนตาเมียนนี่แกเลี้ยงผีค่ะพ่อก็เลยต้องเอาเครื่องเส้นไปให้ผีกินด้วยเดี๋ยววันหน้าจะเล่าให้ฟังวันนี้ขอเป็นเรื่องเล่าเรื่องเปรตก่อนนะคะตาชูคนนี้ก่อนแกตายเนี่ยแกเป็นมัคคุชายกวัดตอนแกมีชีวิตอยู่แกก็ชอบอมเงินวัดละค่ะยักยอกเอาเงินวัดไปสร้างบ้านสร้างช่องตัวเองตะชูแกไม่กลัวบาปกลัวกรรมซะเหลือเกินสุดท้ายแกก็ตายตายแล้วก็เอาอะไรไปไม่ได้สักอย่าง หลวงพี่แดงก็เป็นลูกศิษย์เอกของหลวงตาเมียนเรียกว่ามีวิชาอาคมเกร่งกล้าพอสมควรนะคะวันนึ่งค่แกก็เอาเครื่องเส้นไปให้ผีของหลวงของหลวงตาเมียนตามปกติหลวงพี่แดงก็ทักพ่อบอกไอ้เล็กคืนนี้เองอยากเห็นอะไรดีๆไหมพ่อก็ตอบรับไปบอกครับอยากเห็นพอตกดึกเนี่ยราวเที่ยงคืนพ่อก็ไปหาหลวงตาแดงตามนัดพ่อก็เดินตามหลังหลวงตาแดงไปบริเวณลานข้างโบสถ์ที่วัดราชนัดดาไอ้เล็ก ถ้าข้าบอกให้เองจับจีวอนข้าเองก็จับนะแล้วมองไปที่โบสหลวงพี่แดงก็หันมาสั่งพ่อก่อนจะยื่นมือประนมมือสวดอะไรพรึมพรำสักพักนึงหลวงพี่แดงก็หันมาบอกให้พ่อจับจีวอนพอจับจีวอเท่านั้นแหละค่ะพ่อก็มองเห็นมองเห็นเงาดําๆนะคะรูปร่างคล้ายคนตัวผอมๆแต่ว่าร่างนั้นสูงใหญ่มากสูงกว่าโบสถ์ซะอีกด้วยร่างนั้นเดินวนเวียนอยู่รอบโบสพ่อยังเห็นว่าร่างนั้นเนี่ยยังเอามือละหลังคาโบสไปเรื่อยๆ นอกจากภาพที่เห็นแล้วยังได้ยินเสียงเป็นเสียงสูงดังวีดนะคะพ่อเล่าให้ฟังว่าเสียงที่ได้ยินเนี่ยมันไม่ได้รับรู้ที่หูนะแต่ว่ามันดังอยู่ตรงกลางการะหม่อมดังวีดอยู่ตลอดเวลาพ่อเนี่ยขนลุกสู้ค่ะเย็นสันหลังวาบเลยลามไปจนถึงท้ายทอยและด้วยความกลัวพ่อก็เลยลองปล่อยมือจากจีวอนหลวงพี่แดงทันใดภาพเงานั้นก็หายไปพอเอามือกลับไปจับจีวออีกก็เห็นเงาดําสูงใหญ่อีกนะคะก็เอามือไปละหลังคาบทเหมือนเดิม หลวงพี่แดงก็เลยถามว่าเป็นไงเอเล็กที่เองเห็นนะคือเปรตตะชูพอก็พยักหน้าตอนที่แกมีชีวิตอยู่เนี่ยแกโกงเงินวัดพอตายไปลูกเมียก็ไม่คิดจะทำบุญให้ก็ต้องกลายเป็นเ ป, นเปรตเป็นผีมาขอส่วนบุญอยู่ตรงนี้แหละ คุณผู้ฟังคะเรื่องของเปรตเนี่ยเคยได้ยินมาตั้งแต่สมัยเป็นเด็กแล้วนะคะแล้วบีก็เชื่อ ว, ว่าพี่ๆที่ฟังช่องนี้หลายๆท่านก็คงจะเคยได้ยินปู่ย่าตายายเล่าเรื่องเปรตให้ฟังเหมือนกันซึ่งตามพระพุทธศาสนาเนี่ยเชื่อนะคะว่าเปรตมือจะโตเต็มเท่าใบตานนะคะปากจะรูเล็กๆ เ, เท่ารูเข็มจะคอยดูดเลือดกินหนองของตัวเองนะคะเพราะบุพรกรรมที่เคยทาไว้อะไรบ้าง อย่างเช่นด่าทอพ่อแม่ด่าทอครูบาอาจารย์ด่าทอพระหรือแม้แต่การยักยอกเงินวัดหรือแม้แต่การโกงเงินวัดนั่นแหละนะคะถ้าหากว่าเราไม่อยากจะไปเกิดเป็นเปรตแบบที่บีเล่าให้ฟังเนี่ยซึ่งบีก็ไม่รู้ดอกนะฮะว่าทุกทรมานมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าเท่าที่ได้ยินได้ฟังมาก็น่าจะทรมานพอสมควรละจากอบายามุขทั้งหลายละจากทุกขติที่อยู่ในใจทุกๆอย่างนะคะ คุณผู้ฟังรู้จักคำว่าทำบุญมากได้มากทำบุญน้อยได้น้อยแล้วทำบุญน้อยได้มากแบบนี้เนี่ยเคยได้ยินไหมคะส่วนคนที่ทำบุญมากเนี่ยกลายไปเป็นเปรตซะงั้นเชื่อว่าท่านสาธุชนทั้งหลายคงเคยพบเห็นค่ะรู้จักผู้ที่มีใจบุญชอบสร้างกุศลความดีด้วยการทำบุญทาทานอย่างมากมายมาแล้ว ท่านผู้ใจบุญเช่นนี้มีศรัทธาอย่างแท้จริงที่จะทําบุญทํานุบํารุงพระสงฆ์แล้วก็พระาศาสนาอันใดที่เป็นงานบุญแล้วแล้วก็ท่านยินดีเข้าไปเป็นส่วนร่วมยิ่งาการช่วยแบบจริงใจไม่ว่าจะเป็นการสร้างโบสถ์สร้างวิหารหรือว่าสาลาการปรเรียนกุฏิสง์หรือทอดกรถินทอดผ้าป่าจะต้องมีท่านร่วมบริจาคร่วมแรงร่วมใจด้วยเสมอนะคะหรือแม้แต่การถือศีลฟงังธรรมก็ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องไม่ได้ขาดตกบกพร่องขาดตอน เมื่อมองเห็นรับรู้ว่าท่านใจบุญผู้นั้นได้ประกอบบุญกุศลถึงขนาดนี้แล้วนะทุกคนย่อมมีความคิดเห็นเป็นทางเดียวกันค่ะคือท่านผู้มีใจบุญผู้นั้นหากถึงวาระหมดอายุขัยตายไปเมื่อไหร่จิตวิญญาณของท่านคงไปสู่สุคติสัมปรายภพแน่นอนค่ะความคิดเห็นซึ่งประเมินความเป็นไปได้ดังกล่าวเนี่ยควรจะเป็นไปตามนั้นไม่มีผิดพลาด แต่ว่าความคิดเห็นที่ว่านี้ยังไม่ใช่เป็นข้อสรุปลงตัวซะเลยทีเดียวโดยจะไม่มีอะไรมาเป็นตัวแปรให้เบี่ยงเบนไปจากที่คาดการเอาไว้ซะเลยนะคะเพราะว่าท่านผู้ใจบุญคนนั้นบางคนเนี่ยนะคะเมื่อตายไปแล้วอาจจะไปเกิดในภพภูมิแห่งทุกขติก็ได้ไปผุดไปเกิดในอัตภาพที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความทุกข์ทรมานก็ได้เหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะอะไรล่ะคะ ก็เพราะว่าเนื่องจากเราเนี่ยได้พบเห็นได้รับรู้เพียงแค่การกระทําภายนอกเท่านั้นส่วนภายในค่ะคือการกระทําของจิตใจเราไม่เห็นเราไม่รู้อุปมาเหมือนเปลือกผิวที่ห่อหุ้มต้นไม้อยู่ก็ดูสดใสงดงามดีอยู่หรอกนะคะแต่ว่าเราไม่สามารถมองเห็นแก่นในกลางลําต้นได้ว่ากําลังผุพงังหรือกําลังถูกมดถูกปลวกช่อนชายกัดกินไปมากน้อยเพียงไร เล่าเรื่องกรรมเรื่องนี้ค่ะคือเรื่องของท่านผู้ใจบุญคนหนึ่งซึ่งประกอบกรรมดีทางบุญกุศลเอาไว้มากมายก่ายกองเลยทีเดียวหลังจากตายไปแล้วควรจะไปอุบัติในภพแห่งสวรรค์แต่ทำไมคะกลับไปผุดไปเกิดเป็นเปรตเข้าสิงสูร่ร่างกายคนอื่นให้วุ่นวายไปหมดเรื่องราวผีเรื่องนี้มีที่มาโดยพิสดารดังนี้ค่ะมีท่านผู้ใจบุญคนหนึ่งขออนุญาตเรียกท่านว่าคุณยายก็แล้วกัน คุณยายเนี่ยมีจิตใจนอบน้อมมาทางบุญกุศลตั้งแต่ยังสาวกล่าวคือชอบทำบุญทาทานกับพระภิกษุสงฆ์ม่ได้ขาดค่ะหลังจากมีครอบครัวแล้วก็ยังปฏิบัติตนเช่นนี้อยู่เป็นเนืองนิดคุณยายมีบุตรที่ดาดรวมกันทั้งหมด5คนนะคะแล้วก็มีฐานะมั่งคั่งร่ำรวยเรียกว่าเป็นเศรษฐีผู้หนึ่งเลยก็ว่าได้ ตลอดชีวิตคุณยายที่ผ่านมาท่านสร้างบุญกุศลเอาไว้มากมายค่ะโดยเฉพาะเรื่องบริจาคทานสร้างโบสถ์สร้างวิหารสาลาการประเรียนตลอดจนกระถิ่นพระป่าท่านทำมาไม่รู้ว่าเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่แต่เมื่อถึงวันธรรมะสวรรคก็จะไปรักษาศีลอุโบสถที่วัดอย่างเคร่งครัดเลยนะคะ แต่ว่าคุณยายคนนี้ไม่เคยเจริญกุศลภาวนาค่ะไม่สนใจเจริญกรรมฐานไม่ฝึกชำระกิเลสเอาซะเลยดังนั้นเมื่อจิตกระทบเข้ากับอารมณ์จึงไม่สามารถแยกเหตุแยกผลเพื่อให้รู้เห็นเท่าทันตามความเป็นจริงได้จริงๆแล้วคุณยายนี่มีอายุยืนยาวมากค่ะมีอายุยืนถึง80กว่าปี ท่านได้จัดการแบ่งทรัพย์สมบัติให้แก่ลูกทุกคนโดยเท่าเทียมกันแล้วก็ไปอยู่กับลูกคนเล็กซึ่งก็มีสามีเป็นเศรษฐีมีกิจการทำโรงสีโรงน้ำแข็งแล้วก็อาคารร้านค้ากล่าวได้ว่าฐานะสุขสบายอย่างเหลือเฟือทีเดียวต่อมาอาเสียสามีของลูกสาวคนเล็กเนี่ยเกิดไปติดการพนันแล้วก็มัวเมาต่อเกมค่ะได้เสียชนิดไม่ลืมหูลืมตา ไม่ยอมรับฟังคําตักเตือนแนะนําจากผู้ใดทั้งสิ้นเงินทองก็เลยถูกละลายไปในวงพนันอย่างรวดเร็วหมดเงินสดก็นําเอาที่ดินไร่นาไปขายได้เงินมาเท่าไหร่ก็หมดไปเพราะว่าการพนันอีกโรงสีโรงน้ําแข็งแล้วก็ร้านค้าเนี่ยก็ต้องเอาไปจํานองขายฝากแล้วก็อาเสียก็เอาเงินไปผลานแบบไม่เหลือหรอเลยนะคะคราวนี้เจ้าหนี้ก็ยื่นคําขาดบอกว่าให้หาเงินเอามาถ่ายทอนนีไม่อย่างนั้นจะฟ้องล้มละลายซะ ลูกสาวคนเล็กร้องไห้ฟูมฟายมาขอให้คุณยายช่วยคุณยายเองก็มีเงินส่วนตัวเหลือเก็บอยู่ไม่มากนะักถึงจะให้เงินไปใช้นี่ได้ก็ไม่หมดนะคะคุณยายก็เลยเดินทางไปหาลูกชายคนโตซึ่งประกอบกิจการท้าอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะขอสมบัติที่ยกให้เนี่ยกลับคืนมาเพื่อจะช่วยเหลือลูกสาวคนเล็กลูกชายคนโตแล้วก็ลูกสะภ้าเนี่ยก็ยินดีคืนให้เมื่อกลับมาคุณยายก็มอบให้กับลูกสาวคนเล็กไป ลูกสาวคนเล็กก็ให้สามีไปจนหมดเช่นกันโดยหวังนะคะว่าเงินก้อนใหญ่ก้อนสุดท้ายนี้เนี่ยสามีคงนำไปฟื้นฟูฐานะของครอบครัวให้ดีขึ้นมาใหม่ได้แต่ว่าแทนที่อาเสียจะมีสติค่ะสำนึกถึงความผิดชอบชั่วดีขึ้นมาบ้างเพราะว่าตัวเองถลำลงไปในอบายจนสิ้นเนื้อประดาตัวกลับหลงบ้าการพนันแบบไม่ยอมเลิกนะคะซ้ายังโง่เขลาไปเชื่อหมอดูอยู่วัดหนึ่ง ว่าการเล่นพนันเนี่ยเล่นแล้วมันจะรวยมหาศาลเดือนหน้ารวยแน่นอนอาเสียก็เลยเอาเงินที่จะไปใช้นี้เนี่ยลงไปเล่นการพนันอีกเงินก้อนสุดท้ายก็เลยหมดเกลี้ยงสิคะทีนี้ไม่เหลือหล่ออะไรเลยเห็นไหมคะว่าความชั่วร้ายของผีพนันมันน่ากลัวค่ะน่าสยดสยองยิ่งกว่าผีตนใดมาหลอกหลอนซะอีกลองถูกมันหลอกจนกระทั่งไม่เหลือสติสัมปชัญญะก็ไม่รู้ตัวว่าได้กระทําอะไรลงไปไม่มีสํานึกระลึกถึงนะฮะว่าสิ่งใดดีสิ่งใ ด, ด, งดชั่ว ทั้งที่ประจักษ์อย่างชัดเจนแล้วนะคะว่าการพนันเนี่ยมันทำลายทรัพย์สินเงินทองวินาทศสันตโรไม่มีเหลือก็ยังหาได้สำนึกแม้แต่น้อยทีนี้าเสียผู้มืดบอดไม่เพียงแต่จะทำลายตัวเองแล้วก็ทรัพย์สมบัติที่พ่อแม่ตนสร้างสมเอาไว้ด้วยความยากลำบากยังทำลายครอบครัวของตนเองจนแหลกสลายย่อยยับไปด้วยคุณยายผู้ซึ่งรักลูกสาวคนเล็กมาก ถึงกับไปขอสมบัติคืนจากลูกชายคนโตค่ะเพื่อนำมาให้ลูกเขยทำทุนกู้สถานการณ์แต่ว่าลูกเขยกลับเอาไปละลายในบ่อนการพนันจนราบเรียบก็บังเกิดความสมนัสสุดประมาณข้าวปลาอาหารก็กลืนไม่ลงคอแล้วค่ะเอาแต่ครุ่นคิดเสียใจซ้ำแล้วซ้ำเล่าในที่สุดก็ถึงแก่กรรมด้วยหัวใจวายคุณยายพ้นทุกทรมานใจในโลกมนุษย์ไปแล้ว แทนที่จะไปเสวยผลบุญที่ตัวเองได้สร้างมาแต่กลับต้องไปเสวยทุก์ในภพภูมิอื่นอีกเนื่องจากจิตก่อนตายเนี่ยหมกมุ่นกรุ่นคิดเสียดายอยู่แต่กับเรื่องทรัพย์สมบัติที่ลูกเขยคนเล็กเอาไปผลาญจนมาลายด้วยการพนันก่อนคุณยายจะถึงแก่กรรมค่ะพระเดศพระคุณหลวงพ่อจรัญทราบข่าวว่าคุณยายใจบุญเนี่เจ็บไข้ผาย ผ, ายผอมมานานนับเดือนเนื่องจากความทุกข์ทางใจท่านเองก็เลยมีเมตตาไปเยี่ยมเยือนสอบถามอาการเวทนาหลายครั้งนะคะ ท่านก็ได้ทราบถึงสาเหตุแห่งความทุกข์ที่สมรุมอยู่หลวงพ่อจรันก็ได้พูดปลอบใจแล้วก็ชี้แจงแสดงธรรมให้คุณยายได้ประจักษ์ถึงความไม่เที่ยงในสรรพสิ่งทั้งหลายจงตัดใจให้ขาดจากโลภะสะเถิดเพราะว่ามัวแต่คิดเสียดายในสิ่งซึ่งสูญสิ้นไปแล้วเช่นนี้ย่อมหาประโยชน์อันอื่นไม่ได้เลยคุณยายเองก็รับฟังรับรู้แล้วก็เห็นจริงไปตามนั้นแต่ว่าค่ะไม่อาจจะบังคับใจให้เอาชนะอกุศลที่ยึดครองดวงจิตไว้ได้ หลวงพ่อเจรันก็แนะนําให้มาปฏิบัติกรรมฐานกับท่านสเสถียรจะได้เป็นช่องทางให้หลุดพ้นจากความทุกข์แต่ว่าคุณยายกลับไม่ยอมกระทําค่ะอ้างถึงอุปสรรคความแก่เท่ามาเป็นข้ออ้างเพื่อปฏิเสธเมื่อเป็นเช่นนี้หลวงพ่อก็ไม่รู้จะหาทางช่วยอย่างไรได้หลวงพ่อก็เมตตาไปเยี่ยมถึงสงครั้งก็ชวนให้คุณยายมาปฏิบัติธรรมกรรมฐานอยู่กับท่านทุกครั้งแต่ถ้ว่าไม่เกิดผลอะไรดังนั้นท่านเองก็จําต้องปล่อยให้เป็นไปตามยถากรรมเท่านั้นค่ะ หลังจากที่คุณยายเสียชีวิตไปนานพอสมควรหลวงพ่อจรันก็มีกิจธุระต้องเดินทางไปที่บางมะยมอำเภอท่าวงจังหวัดลบบุรีใกล้กันกับบ้านกำนันไข่อยู่ดีๆค่ะเกิดมีผีเข้าสิงเด็กอายุ16ขวบคนหนึ่งร้องหวีดกรีดเสียงอลาวาที่บ้านใกล้ๆซึ่งหลวงพ่อจรันที่มีกิจนิมนต์อยู่นะคะพ่อแม่เด็กสาวคนนั้นก็เลยพากันนิมนต์หลวงพ่อไปดูหลวงพ่อก็เมตตาไปดูให้พอพบหน้าหลวงพ่อจรั เด็กสาวที่ถูกผีเข้าสิงคนนี้เนี่ยก็มีกิริยาวาจาที่ว่ารู้จักกันเป็นอย่างดีทั้งๆที่ไม่เคยพบปะหรือว่าเห็นหน้ามาก่อนเลยแม้แต่ครั้งเดียวเมื่อสอบถามทวนความดูก็เลยรู้ว่าเป็นคุณยายใจบุญที่ตายไปแล้วเพราะว่าลูกเขยนี่แหละที่ผลาญสมบัติจนหมดตัวก็เลยตรอมใจตายไปแต่ว่าแทนที่จะได้ไปเสวยสุขในภพภูมิของสวรรค์ค่ะกลับมาเกิดในทุกขติภูมิมาเป็นเปรตอดๆ อ, อยากๆได้รับความทุกข์ทรมานไม่รู้จบอย่างน่าสังเวช สำหรับเรื่องนี้หลวงพ่อจรันติตะธรรมโมค่ะได้แสดงไว้ในการบรรยายธรรมเรื่องความสุขเมื่อวันที่6เมษายน2536โดยมีอาจารย์พรทิพชูศักด์วคนครนะคะเป็นผู้ถอดความจากเทปเพื่อเน้นย้ำให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้ตระหนักถึงสัจจะความจริงจากผลแห่งอกุศลกรรมรวมทั้งการประพฤติปฏิบัติตนผิดเพี้ยนเบี่ยงเบนไปจากแนวทางที่ถูกต้องในพระพุทธศาสนาจึงนมัสการขออนุญาตนําถ้อยรมที่ เดชพระคุณหลวงพ่อจรันแห่งวัดอัมพวันได้กล่าวไว้อัตมาไปทุระที่บางมะยมอําเภอท่าวงจังหวัดลบบุรีใกล้บ้านกับกำนันไข่ก็มีเด็กสาวอายุ16ปีร้องหวีดหวาดขึ้นมาว่าผีเข้าผีเข้าเด็กคนนี้ไม่รู้ประวัติคุณยายแล้วก็ไม่รู้จักอัตมาด้วยซ้ําอัตมาไปดูไปถามดูก็มารู้ความว่าอ๋อเป็นคุณยายนี่เองมาบอกว่าอดอยากเหลือเกินแล้วก็มาบอกความลับที่ตายไปเพราะเสียใจลูกเล่นการพนันหมด เคยถวายหมากพระเวลาทอดกระถิน่นทอดผ้าป่าทุกครั้งแต่คราวนี้ไม่ได้กินหมากไปเป็นเปรตเที่ยวขอเขากินตามบ้านบุญที่ทํานั้นจะได้ต่อในภายหลังก็ต้องใช้นีิกรรมหนักก็คืออํานาจโลภะนี้ก่อนนี่อาัตามายืนยันเพราะว่าไปเจอเด็กที่มียายคนนี้ไปเข้าถามพ่อแม่เด็กว่ารู้จักตระกูลนี้ไหมพ่อแม่เด็กก็ตอบว่าไม่รู้จักแต่ทําไมบอกได้หมดว่าลูกชายคนโตชื่ออะไรลูกสาวคนเล็กชื่ออะไรเด็กมันจะรู้ได้ยังไง ก็ขอฝากญาติโยมไปคิดโดยทั่วหน้ากันอย่าลืมนะบุญกรรมจากการกระทําของคุณยายรักษาอุโบสถนี่ดิ่งเลยทั้งวันไม่คุยกับใครมานั่งเฝ้าสาาพระเทศก็ติดกันเทศไม่พักแต่ไม่รู้ว่าบุญคือความสุขจากการชำระใจคุณยายสวดมนต์ก็เก่งแต่ไม่ปฏิบัติธรรมแล้วบุญที่ทาจะได้หรือตอบว่าได้แต่ว่าบาปเนี่ยมันมาก่อนเพราะว่าอานาจโลภะก็เลยไปเป็นเ ป, นเปรตก่อน พอหมดเวรกรรมจากเปรตจึงจะไปเป็นสวรรค์ต่อไปในภายหลังตอนที่คุณยายป่วยด้วยความเสียใจก็อดข้าวอดปลามา3าเดือนเศษอาตมาไปเยี่ยมสองครั้งชวนมานั่งกรรมฐานคุณยายก็บอกว่านั่งไม่ได้ไม่สบายใจซะแล้วแก่แล้วเมื่อก่อนนี้ตอนที่อินทรีย์ยังดีๆก็ไม่สนใจกรรมฐานเลยสนใจแต่ว่าใครจะมาบอกบุญไม่เคยขัด ต้องทําทุกวัดจึงหาความสุขไม่ได้ตายไปก็ไปเป็นเปรตเดี๋ยวนี้ก็ยังไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดแต่ประการใดก็ยังทรมานอยู่ด้วยอํานาจของโลภะนี่เรื่องนี้อัตมาประสบมาด้วยตนเองขอสรุปใจความบุญแปลว่าความสุขความสุขได้มาจากไหนไม่ใช่มาตั้งสังฆทานนะไปอย่างนี้เรียกว่าทําทานบริจาคทานได้แต่ศีลไม่มีภาวนาไม่มีมันก็ไม่ครบได้แต่ทานธรรมดา ไปสร้างศาลากี่ร้อยหลังไปทอดกรถินกี่ร้อยวัดก็ได้แต่โยมจะไม่พบความสุขที่แท้จริงมีความสุขเจือด้วยความทุกข์เหมือนคุณยายผู้นั้นที่โยมได้มาเจริญกรรมฐานในวันนี้โยมจะได้พบพระที่ใจประเสริฐพระไม่ใช่นั่งอยู่บนอาสนะสงฆ์อย่างนี้เรียกพระสงฆ์องค์เจ้าแต่เอาพระมาไว้ในใจพัฒนาจิตให้ถึงพระโยมใจประเสริฐเมื่อใดลำเลิศเมื่อนั้นจิตสงบใจสบายถึงจะมีความสุข เป็นความสุขที่ไม่เจือปนด้วยความทุกข์เพราะว่าจิตใจไม่เศร้าหมองไม่สกรปรกลามกอีกต่อไปมันมีความหมายแบบนี้นี่ก็เป็นเรื่องของคุณยายที่ทำบุญมาเยอะๆนะคะแต่ว่ามาพ่ายแพ้ อำนาจโทสะก่อนที่จะจบชีวิตของตัวเองลงในโลกมนุษย์แล้วก็ไปเกิดเป็นเปรตนะคะแทนที่จะได้ขึ้นสวรรค์กลายเป็นว่าต้องลงนรกไปเป็นเปรตไปเป็นอสุรกายซะงั้นนะคะนี่ก็เป็นบทเทศนาสั่งสอนของหลวงพ่อจรัญทิตาธรรมโมแห่งสำนักวิปัสสนากรรมฐานวัดอัมพวันอำเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีที่ได้เทศนาสอนไว้นะคะให้กับญาติโยมเมื่อปี พุทธศักราช2536นะคะกับการบรรยายธรรมเรื่องความสุขค่ะเรื่องราวของคนดีเรื่องราวของคนที่มีจิตใจเอื้ออารีหรือว่ามีเมตตาก็ย่อมมีความสุขในสำปรายพภพแต่ว่าเรื่องราวของคนที่ตรนีขี้เหนียวไร้เมตตาไร้ซึ่งคุณงามความดีก็ย่อมมีทุกติยภูมิเป็นที่ตั้งค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องของเปรตยายแสง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 น ะ, ะแกไม่ด่าค่ะแกบอกว่าหิวน้ําเอาน้ําให้กินหน่อยยายแกตักน้ำมาให้กินยายบุญแกมาเล่าให้ยายฟังทีหลังว่าในครัวยายแสงเนี่ยมีของกินเต็มไปหมดมีทุกอย่างหลังจากที่ตักน้ํามายายบุญก็ค่อยๆพยุงยายแสงขึ้นเพื่อจะให้กินน้ำํำยายแสงกินเข้าไปได้อึดเดียวก็บ้วนทิ้งดา่ายายบุญอีกว่าเอากแกลบมาให้แกกินยายบุญก็งงนะฮะว่าในมือนี่ก็คือน้ําขันน้ํานะน้ําใสเย็นเชียวทำไมถึงว่าแกเอากแกลบมาให้กิน ยายแสงก็ไล่ยาบุญออกจากบ้านแถมยังพูดว่าอย่าขโมยของของกูนะมึงกูจับได้กูเอาตายแน่ได้ยินแบบนั้นด้วยความโมโหค่ะยาบุญก็เลยพูดกลับไปบอกจะตายหาอยู่แล้วยังไม่เลิกห่วงของอีกทำบุญบ้างเถอะอีแสงตายไปเดี๋ยวก็ไม่มีอะไรแดกหาหรอกยายแสงสวนกลับค่ะตายไปของกินกูก็มีเยอะแยะทําทําไมบุญทานทําไปก็ไม่ถึงกูหรอกพระแดกหมดยาบุญโมโหค่ะพูดต่อว่าขี้กากจะแดกปากมึงตายไปเดี๋ยวเป็นเปรต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 ตาคนนั้นก็ไม่สบายเลยล่ะถ้าจําไม่ผิดสมัยนั้นเขาจะเรียกว่าจับไข้หัวโกรนแล้วก็อีกหลายๆคนที่เจอเหตุการณ์แบบเดียวกันก็คือเห็นผีเปรตยายแสงเนี่ยเดินหายเข้าไปในต้นตาลก็เลยมีการนําเครื่องเส้นไหว้ไปไหว้ต้นตาลต้นนั้นพอเวลาผ่านไปเรื่องเปรตยายแสงเริ่มซาค่ะจนกระทั่งวันหนึ่งแม่เล่าให้ฟังว่าเป็นวันอาสาฬหะบูชาซึ่งทุกคนก็ไปเวียนเทียนกันที่วัดตามปกติเด็กผู้ชายคนหนึ่งอายุประมาณ1ิบ8ปปีมาจากกรุงเทพค่ะ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 วันนี้มาฟังนิทานเรื่องเปรตกันนะคะเป็นนิทานาที่เกี่ยวข้องกันกับภพบภูมิแห่งนรกวิถีความเป็นอยู่ของเหล่าวิญญาณเปรตแล้วก็เหตุที่ทําให้ไปเกิดเป็นเปรตค่ะเรียบเรียงเรื่องจากเปรตในพระไตรปิฎกที่พระพุทธเจ้าตรัสเล่าเป็นอุทาหรณ์จากเขมทัศนะคะวันนี้จะเสนอเรื่องของหญิงผู้ใจหนีค่ะคุณผู้ฟัง มีพระภิกษุอยู่รูปหนึ่งท่านออกทุดงเพื่อที่จะไปพบกับพระพุทธเจ้าซึ่งระหว่างทางท่านเองก็เจอกับพ่อค้าอยู่กลุ่มหนึ่งซึ่งออกเดินทางไปค้าขายด้วยการขนสินค้าไปทางเกวียนเป็นกองคารวานเลยละค่ะพ่อค้ากลุ่มนี้มีจิตใจศรัทธาใน พระพุทธศาสนาจึงได้ออกปากอาราธนาให้พระภิกษุรูปนี้เนี่ยเดินทางไปด้วยกันเพื่อที่จะได้เดินทางไปถึงที่หมายได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นพระภิกษุรูปดังกล่าวจึงได้เดินทางไปกับกองคารวานนั้นด้วยระหว่างการเดินทางนั้นด้วยความเหนื่อยล้ากองคารวานจึงได้หยุดพักสักครู่หนึ่ง พระภิกษุรูปนั้นจึงได้ลงมาจากเกวียนและหาที่สงบเพื่อนั่งสมาธิแล้วก็พักผ่อนอยู่เพียงครู่ค่ะแล้วก็ช่วงนั้นเองที่ท่านเผลอหลับไปแล้วก็เมื่อพักกันสักพักหนึ่งกองคารวานก็ออกเดินทางต่อโดยที่ไม่ทราบนะคะว่าพระภิกษุรูปนั้นเนี่ยยังคงอยู่บริเวณดังกล่าวไม่ได้พักผ่อนอยู่บนเกวียนอย่างที่หลายคนเนี่ยเข้าใจกันฝ่ายพระภิกษุรูปนั้นนะคะเมื่อท่านเองลืมตาตื่นขึ้นมา ก็ไม่เจอกันกับกองคาราวานแล้วก็เลยนึกรู้ค่ะว่ากองคาราวานเนี่ยได้ออกเดินทางไปแล้วและพระรูปนั้นค่ะก็เห็นว่าเป็นเวลามืดค่าแล้วจึงเดินทางเข้าไปในบริเวณแถวนั้นเพื่อที่จะไปทําทเป็นที่พักในยามราตรีการนี้นะคะฝ่ายเทวดาที่อยู่ในป่าแถวนั้นค่ะเมื่อเห็นว่ามีพระภิกษุเข้ามาบริเวณดังกล่าวก็เลยแปลงร่างเป็นมนุษย์ธรรมดาแล้วก็เชิญพระภิกษุรูปนั้นเข้าไปในสถานที่พำนัก จากนั้นก็จัดที่พักแล้วก็ถวายความสะดวกสบายให้อย่างเต็มที่ค่ะในระหว่างที่พระภิกษุนั้นพำนักอยู่ในสถานที่พำนักแห่งนั้นนั่นเองภิกษุรูปนั้นก็สังเกตนะคะว่ามีเปรตอยู่ตนหนึ่งค่ะเปลือยกายร่างกายผอมแห้งมาขออาหารแล้วก็เครื่องนุ่งหม่มกับเจ้าของที่พำนักแห่งนั้นท่านเทวดาข้าหิวข้าหนาวเหลือเกินขอให้ท่านทาทานด้วยอาหารและเสื้อผ้าแก่ข้าด้วยเถิด เมื่อได้ยินดังนั้นค่ะชายผู้ที่เป็นเจ้าของที่พำนักหรือว่าเทวดาที่จำแรงแปลงเป็นมนุษย์มาเนี่ยนะคะก็นำเสื้อผ้าแล้วก็เครื่องนุ่งห่มที่สวยงามมาให้นะคะแต่เมื่อนางเปรตได้สัมผัสกับของเหล่านั้นแล้วอาหารก็กลายเป็นมูลเสื้อผ้าก็กลายเป็นเหล็กร้อนทำให้นางเนี่ยไม่สามารถที่จะรับสิ่งของเหล่านั้นได้ก็มองดูแล้วก็ทาให้ภิกษุรูปนี้เนี่ยรู้สึกเวทนาเป็นอย่างยิ่ง ท่านผู้เจริญอาตามาขอไถ่ายถามเกี่ยวกับนางเปรตที่มาขอเสื้อผ้าแล้วก็อาหารนี้หน่อยเถิดว่าเหตุใดจึงไม่สามารถรับอาหารแล้วก็เสื้อผ้าได้พระภิกษุรูปนั้นก็เอ่ยปากถามค่ะทีนี้เทวดาจำแรงก็เลยตอบไปบอกว่า ค่าแต่พระสงฆ์พูดเจริญนางเปรตตนนี้เมื่อชาติก่อนเคยเป็นภรรยาของข้าพระเจ้าหากแต่ทำกรรมเอาไว้ทำให้ต้องตกอยู่ในสภาพเปรตเช่นนี้ชายผู้ที่เป็นเจ้าของที่พมนักก็ต่อไปปค่ะพระภิกษุก็เลยถามบอกว่าเรื่องเนี่ยมันเป็นเช่นไรเล่าให้อัตมาฟังหน่อยสิเผื่อว่าอัตมาเนี่ยจะพอช่วยนางได้ทีนี้เนี่ยเทวดาจำแลงเนะะี่ยค่ะก็เลยบอกว่า เมื่อชาติที่แล้วเนี่ยมีสามีภรรยาอยู่คู่หนึง่งทำงานเป็นช่างหูกค่ะโดยนอกจากสามีแล้วก็ภรรยาคู่นี้เนี่ยจะมีการทอหูกแล้วก็มีช่างทอหูกอยู่อีกหลายคนในหมู่บ้าน มีอยู่วันหนึ่งนะคะมีพระภิกษุ12รูปค่ะเดินทางมาบริเวณหมู่บ้านดังกล่าวจึงได้มาหาที่พำนักอาศัยโดยได้อาศัยบริเวณาชายป่านะคะซึ่งเป็นสถานที่ที่สงบร่มรื่นมีเงาไม้เพื่อที่จะหลบแดดแล้วก็มีบ้านเรือนพอที่จะทำการบินธบาตได้โดยพระภิกษุทั้ง12รูปก็ตัดสินใจพำนักบริเวณชายป่าในหมู่บ้านดังกล่าวนะคะระหว่างที่พำนักอาศัยอยู่นี้นี่เอง ช่างหูกที่อยู่ในหมู่บ้านดังกล่าวก็มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาค่ะจึงได้ช่วยกันสร้างที่พำ น, นักที่อยู่สบายตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนโดยช่วยกันคนละไม้คนละมือนั่นเองหลังจากที่สร้างที่พักแล้วเรียบร้อยช่างหูก็ได้ถวายอาหารแล้วก็จีวรรวมไปถึงของจำเป็นต่างๆแก่พระภิกษุทั้งหลายค่ะส่วนภรรยาของช่างหูกคนนึง เป็นคนที่ไม่ค่อยมีจิตใจศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาเลยซ้ายังเป็นคนที่ตรหนีขี้เหนียวไม่ว่าจะเป็นพระภิกษุหรือว่าคนยากไร้มาจากไหนก็แล้วแต่ไม่เคยที่จะมีใจเมตตาให้แม้แต่น้อยดังนั้นเมื่อเห็นสามีของตอนเนี่ยนะคะมีจิตใจที่ศรัทธาในพระพุทธศาสนาแล้วก็ถวายของมากมายให้กับพระภิกษุสงฆ์นางก็รู้สึกว่าเสียดายของแล้วก็ไม่พอใจให้กับสามีก็เลยทาการด่าทอสามีของนางอยู่เสมอ ก็ด่าสามีบอกสามีเนี่ยโง่เจ้าเอาของมากมายนี้ไปให้พระภิกษุเหล่านั้นเจ้าได้อะไรคืนมาบ้างหรือเปล่าเขาให้เงินกับเราเหรอท่านเนี่ยมันโง่จริงๆนางเนี่ยชอบด่าสามีเยี่ยงนี้เป็นประจำค่ะหนักข้อเข้านางก็พูดสาปแช่งสามีเมื่อรู้ว่าสามีของนางเนี่ยเอาข้าวของเครื่องใช้ไปให้กับพระภิกษุสงฆ์เหล่านั้นนะคะสามีที่โง่เขา อาหารที่เจ้าให้ไปขอให้ชาติพบหน้าเจ้ากินมูลเป็นอาหารก็แล้วกันส่วนเสื้อผ้าก็ได้ใส่แต่เหล็กร้อนๆแทนที่จะเป็นเสื้อผ้าดีๆอย่างในชาตินี้ขอให้เจ้าเป็นเยี่ยงนั้นเพราะความโง่ของท่านคุณผู้ฟังคะถึงกระนั้นช่างหูกคนนี้นะคะก็นาของไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์อยู่เป็นประจำค่ะตลอดเวลาที่พระภิกษุสงฆ์คณะดังกล่าวต้องเดินทางไปจากหมู่บ้านแห่งนี้ หลังจากที่ทุกคนได้หมดกรรมในชาติดังกล่าวแล้วช่างหูกหล่านั้นก็ได้เกิดใหม่บนสวรรค์ส่วนสามีช่างหูของภรรยาผู้ตรีคนนั้นเนี่ยก็ได้มาเกิดเป็นเทวดาในป่าแห่งนี้นี่เองค่ะส่วนฝ่ายภรรยานั้นก็ได้มาเกิดเป็นเปรตอาศัยอยู่ในป่าและแวกเดียวกัน ฝ่ายภรรยาของช่างหูกนั้นด้วยความที่ทํากรรมไม่ดีพูดจาประมาทพระภิกษุแล้วก็มีใจตรนีน่จึงทำให้นอกจากจะเกิดเป็นเปรตแล้วยังไม่มีเสื้อผ้าสวมใส่ไม่มีอาหารการกินแล้วก็เมื่อนางเปรตมาขออาหารจากสามีในชาติก่อนอาหารนั้นนะคะก็ได้กลายเป็นมูลตามที่นางได้ ก, กล่าวสาบแช่งสามีเอาไว้ในชาติที่แล้วค่ะเสื้อผ้าที่สวยงามดั่งอาภรของนางฟ้า ก็กลายเป็นแผ่นเหล็กร้อนไม่สามารถสวมใส่ได้เป็นเย่ยงนี้ทุกวันนางช่างหน้าเวทนายิ่งนักอาตมาคิดว่าอาตมาช่วยผัดผ่อนทุกข์ของนางได้พระภิกษุเมื่อได้ฟังเรื่องของนางเปรตแล้วก็นึกเวทนาก็เลยคิดหาอุบายเพื่อให้เปรตเนี่ยพ้นจากเปรตวิสัยดังกล่าวหากว่าท่านจะกรุณานางข้าพระเจ้าก็ยินดีอย่างยิ่งเพราะข้าพระเจ้าก็มีใจอาวรนและเวทนานางไม่น้อยเทวดาองค์ดังกล่าวได้กล่าวกับพระภิกษุสงฆ์ค่ะ พระภิกษุสงฆ์ก็เลยบอกไม่ยากเลยท่านเพียงแต่ท่านเนี่ยนำอาพรจีวรพร้อมด้วยทายาทานต่างๆแก่พระอริยสงฆ์แล้วซ้ายจากนั้นก็อุทิศส่วนกุศลทั้งหมดให้แก่นางซะเพียงเท่านี้นางก็จะได้ผลจากเคราะหกรรมดังกล่าวแล้ว เมื่อได้ฟังเช่นนี้เทวดาองค์ดางกล่าวก็ได้เตรียมอาพรแล้วก็จีวรแล้วก็ทายาทานต่างๆเพื่อถวายแด่พระภิกษุสงฆ์รูปนั้นนั่นเองค่ะและเมื่อถวายแล้วอุทิศส่วนกุศลไปให้กับนางเปรตตนนั้นเป็นประจำและเมื่อเปรตได้อนุโมทนาบุญนางก็ได้ทั้งอาหารที่บริบูรณ์เสื้อผ้าที่สวยงามแล้วก็พ้นจากการเป็นเปรตนะคะส่วนเทวดาองค์นั้นด้วยผลบุญที่ทาเพิ่ม ก็ได้นําไปสู่สวงสวรรค์แล้วก็ได้สวยทิพยัวิมานบนสวรรค์ชั้นฟ้าต่อไปนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นนิทานเปรตที่บีนํามาฝากคุณผู้ฟังให้ได้รับฟังกันนะคะแล้วก็เพื่อที่ใครที่ฟังไปแล้วคิดได้นะคะว่าทรัพย์สมบัติในโลกใบนี้เนี่ยมันไม่มีอะไรที่จะอยู่กับเราแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะติดตามเราไปได้ตลอดทุกภพทุกชาตินอกจากคุณงามความดีเท่านั้น เพราะฉะนั้นในอาชาตินี้ทําเพียงเพื่อเลี้ยงชีพตัวเองเลี้ยงครอบครัวตัวเองไม่ให้ตัวเองอดอยากนะคะทั้งภายหน้าแล้วก็ในปัจจุบันนี้นะคะแล้วก็ความดีเนี่ยก็หมั่นสร้างกันเข้าไปเยอะๆเยอะๆนะคะแล้วก็อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรหรือว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่กําลังตกทุกข์ได้ยากด้วยอย่างไรแล้วบีขออนุโมทนาบุญกับคุณผู้ฟังด้วยวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสําหรับนิธานสั้นลาไปก่อนสวัสดีค่ะท่านมันไม่ได้เรื่อง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 หากว่าโยมเป็นสามีและภรรยาใหม่ของสามีนางพวกโยมจะให้อภัยหรือไม่ภิสุถ่ายถามหากเป็นข้าพเจ้าก็จะไม่ถือโทษเพราะนางเองก็ได้รับผลกรรมมามากพอแล้วและข้าพเจ้าก็รู้สึกเวทนานางเป็นยิ่งนักหากว่าเป็นไปได้ก็อยากจะช่วยเหลือให้นางได้พ้นทุกจากเวรกรรมทั้งหลายสามีของนางกล่าวค่ะ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 แน่นอนนะคะว่านางก็ไม่คิดว่าจะทํากรรมทําบาปกับใครอีกเลยนี่ก็เป็นเรื่องราวนะคะในพุทธชาดกนะคะเกี่ยวกับเรื่องเปรตนั่นเองค่ะนี่ก็จะเป็นอีกตอนหนึ่งที่เป็นเรื่องราวของเปรตกินลูกนะคะเรื่องเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องเล่าจากคุณละออนะคะที่บีขออนุญาตนํามาจากทางด้านของกระทู้พันทิพย์นะคะเป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับผีเปรตที่ยอดพระปางแล้วก็เปรตนะเปิลค่ะ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 ยังเดินไม่ทันครบสามรอบไอ้เปียกมันบอกให้พวกลุงวิ่งเข้าโบด เ, เร็วเปรตมาพวกลุงก็หันไปมองทางพระปรางก็เห็นเปรตจริงๆตัวสูงสูงมากสูงกว่ายอดพระปางอีกผอมแห้งตาถลนมีสีของตาเนี่ยก็เป็นแดงๆเหมือนดวงไฟแล้วก็มีเหมือนผ้าแดงอยู่ตรงเอวมันด้วยมีปากจุๆ๋ๆพวกลุงก็เลยรีบวิ่งเข้าโบดแล้วก็นอนในโบสนั่นแหละพอเช้าลุงถึงได้เดินกลับมาบ้าน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 บ้านหลังไม่ใหญ่ค่ะแต่ว่าพื้นที่นั้นเนี่ยใหญ่พอสมควรนัเปิ้ลกกอยู่กับแม่สองคนแล้วเวลาออกไปหาปลาแกก็ชอบขังแม่ให้อยู่ในบ้านคนเดียวกว่าแกจะกลับก็มืดแล้วก็มีกับข้าวเก่าๆบุดๆทิ้งไว้ให้แม่กินอย่างเดียวแม่แกก็แก่มากแล้วบ้านของนัเปิ้ลสมัยนั้นคนแถวบ้านเขาจะสร้างด้วยใบจากสร้างด้วยไม้ไผ่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 แล้วก็มีอยู่วันหนึ่งค่ะน้เปิ้ลแกออกไปหาปลายอย่างเดิมแกลงไปงมหาอะไรก็ไม่รู้แล้วแกก็จมน้ำตาย